ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประปติยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจจเวกขณะสมาธิมาถึงสองสามชุดแล้วคือชุดที่ว่าดยปัจจัยสี่เนี่ยสามเรื่องแต่เป็นการมองในช่วงรับช่วงบริโภคแล้วก็หลังจากบริโภคไปแล้วเพียงแต่พิจารณาเรื่อง อาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยาแก้ไขเหมือนกันแล้วก็พิจารณาในหลายๆระดับอีกชุดหนึ่งเป็นข้อที่ทรงใช้คําว่าอาภินิหาปัจจเวคคณะคือข้อที่ควรพิจารณาเนืองเนืองพิจารณาอยู่สม่ําเสมอพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาซ้ำซาก ในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายและการพลัดพลากไม่แง่ของคติธรรมดาและกระบวนการของกรรมซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาของกรรมอีกเช่นเดียวกันก็เพื่อจะช่วยบรรเทาความประมาทในด้านต่างๆแล้วก็ให้เจริญกุศล พยายามละอกุศลอีกชุดหนึ่งทรงใช้คำว่าอาภินาปัจจเวคขณะเหมือนกันแต่ว่าใช้ในกรณีของนักบวชเรียกว่าปรับปจิตะอภินาปัจจเวคขณะคือเป็นธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองเพื่อควรพิจารณาบ่อยๆควรพิจารณาอยู่สม่ำเสมอมาข้อความจะเริ่มต้นเหมือนกัน ว่ามันไปชิตควรพิจนานรณาหนงเงว่าอย่างนั้นอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นก็วากันไปแต่ถ้าเรามองในแง่ขององค์ธรรมเราจะเห็นว่าพิจนารณาถึงสถานภาพของตนที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นนคือเราเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนภารกิจเปลี่ยนการงานก็อย่างอื่นมันเปลี่ยนตามสถานภาพของเราไปก็หมายความว่า บังคับใช้แก่คนทั่วไปไม่ใช่โดยโอนุโลมหรอกเพียงแต่ว่าระดับหนึ่งคือไม่ต้องมีความเข้มข้นมากขนาดนั้นก็ได้ประการแรกก็พิจารณาถึงสถานภาพว่าบัรนี้เรามีเพศต่างจากคือหัดแล้วอาการคริยาใดๆที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นคือหัดเนี่ย ก็ให้ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นซึ่งก็หมายความว่าตรง น, นี้เราแปลเราเราเปลี่ยนมาจากเพศของชาวบ้านคือผู้คองเรือนจนบางครั้งบางคราวก็เรียกว่าปราศจากวันนะคือไม่เป็นวันนะแล้วเนื่องจากสังคมในสมัยนั้นก็มีการถือชาติชา้นวันนะกันมา แต่เราไม่ได้อยู่ในวันณะใดวันนั้นเลยแล้วเพราะวันณะแต่ละวันณะนี่มันเป็นการเกิดมานะเกิดอติมานะดูหมินคนอื่นเกิดอชิมานะคือถือเกินไปมานะยิ่งเกินไปหรือว่าเอาวามานะดูหมิ่นตัวเองโดยบางครั้งบางคราวก็มีลักษณะที่ตีเสมอคนอื่น แ, แสดงว่าใจมันไม่สงบ ซ <So S 1> ึ <us> like ่งความเปลี right ่ยนแปลงเหล่าน right ี our ้ก็ไม่ได้อยู่แก่พระที่เปลี่ยนแปลงเป็นชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงเป็นพระแต่ว่าพระที่เปลี่ยนแปลงเป็นชาวบ้านใอชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานตำแหน่งสถานะต่างๆเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันคือหมายความเมื่อสถานภาพเราเปลี่ยนเนี่ยเราต้องสนอย่างที่ท่านพูดว่าดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น ดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้ทําดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้พูดแม้แต่ไปสัมพันธ์กับกาลเทศะเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงนะบางกาละเนี่ยเราจําเป็นต้องพูดก็พูดบางกาละเนี่ยสถานะเราไม่ให้มันก็ น, น่าจะพูดอ่ะแต่ว่าสถานะมันไม่เอื้อให้พูดมันก็พูดไม่ได้ เรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเรามีความรู้สึกอย่างยกตัวอย่างว่าความเป็นเจ้าน้ำเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยตมานีมีความรู้สึกมานานนะรู้สึกตั้งแต่วบวชใหม่ๆหมว่าที่จริงเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีกันมารุงรังเลยเกยนวาเราเป็นนาคาดิกเป็นผู้ไม่มีเรือนแต่ว่ามันพูดไม่ได้หรอกตอนเป็นมหาป ร, เริเยนเนี่ย ใช้ควาว่าทิตะยา น, นพภิกขุก็พระอาจารย์ท่านหมอนภาพไปแล้วท่านบอกว่าอย่าไปใช้อย่างนั้นให้ใช้ชื่อเดิมเผื่อว่าต่อไปมันจะเกิดเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเลยก็ผู้ใหญ่ท่านว่าเราก็ไม่ก็ไม่ได้ใช้ก็อยู่มานานนะนะอายุสี่สิบสาม ก็ถือว่าแกแหละก็เป็นราชาคณะที่ประสบผลคณะพรมันมีอาจารย์อีกรูปหนึ่งเป็นอาจารย์สอนบาลีท่านก็เปอยๆขึ้นมาก่อนจะได้ได้เนี่ยท่านบอกว่าเออเรามันอยู่กับยุคสมัยของเขานะสวายุมากแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยเพื่อนก็สงสัยเหมือนกันว่าเป็นคนอย่างไงมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไร ทำไมคณะสูงจึงไม่ยกย่องแต่งต่างเออมันก็น่าฟังกันนะฮะในมุมนั้นที่จริงก็น่าฟังกันเลยก็เฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เราไม่ว่าอะไรก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะปัจจุบันเนี่ยมันก็บางทีเราก็กล้าพูดนะฮะเพราะถ้าว่ามันเกิดยกเลิกเราก็เสียด้วย เราพูดออกไปเราก็ไม่เป็นอ่างวนเปรี้ยวหรอกเลยก็กล้าพูดแต่เวลาจะกล้าพูดมันนานนะมันต้องใช้เวลานานเพราะสถานะเราพูดไม่ได้ถึงจุดหนึ่งเราพูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่มันพูดไม่ได้พูดแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักมันจะเป็นการทำลายคุณค่าของคำพูดเราเองกลายเป็นพวกอ่างวนเปรี้ยวไป เวลานี้อยู่ในเกณฑ์ที่พอจะพูดได้แล้วก็มีการพูดกันบ้างก็งมีความรู้สึกนะว่าสถานภาพบางอย่างมันไม่เหมาะแก่บริษัทบางบริษัทแก่ยุคสมัยแก่กาละแก่เทศะแก่กลุ่มคนแก่บุคคลจากยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ายุคที่กระจายอํานาจยุคของความเสมอภาคยุคของสื่อสารดุรคมมนาคม อยู่ของสิทธทิเสรีภาพที่เสมอเหมือนกันพะถ้าใครอยู่ในสังคมในรูปของชนชั้นสักดีนามีบรรดาศักดิ์มีไรต์ไรแล้วก็เหนือคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกจะอยู่ยากแล้วก็ให้คำตอบกับสังคมได้ยากที่สำคัญอย่างยิ่งคือไม่ใช่เนื้อหาของความเป็นพราจริงๆเพราะความเป็นบนรรพชิตจริงๆนั้นมันก็อยู่ที่ ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายอย่างที่ทรงแสดงไว้ในว่าระโอวาตปฏิโมกที่ว่านาฮิป ป, ปจปิโตปรูปรกาติผู้ไม่ไปฆ่าเข้าไปฆ่าสัตว์อื่นผู้เข้าไปฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบันปชิตผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสัมมาณะก็แสดงว่า คุณลักษณะของความเป็นบรรพชิตสมณะก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนตัวนี้ก็คือเอาขนาดสํานึกสาเนียบเป็นอะไรก็ตามพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นซึ่งพอตรงนี้จะกระจายแล้วเป็นสามีเป็นพันยาเป็นเพื่อนเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นประชาชนเป็นทุกเป็น เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นตรงไหนควรจะเราเป็นยังไงก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่เราเป็นเมื่อจบหน้าที่ก็คือเลิกเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติเรื่องมันเรื่องเนี่ยมันก็ไม่อาจจะสื่อสารกันได้เหมือนกันอาจารต่อมาเองก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ คนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะแต่เราว่าควรเป็นอย่างนั้ น, นจะมาจะอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตอะไรก็ตามเมื่อออกจากที่นั้นแล้วถ้าไม่ได้รับเชิญเป็นกิจลักษณะนี้จะไม่ไปแต่ถ้าเขาขอร้องเขาบอกกล่าวเขาเชิญมาะอะไรแต่อไรเราก็ช่วยเหลือเต็มที่นะสํานึกคุณนั้นยังมีอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้าที่ไม่มีอํานาจไม่มีหน้าที่ วันก่อนมีกรรมการมาที่รัฐสมาคมท่านนิมนต์ไปร่วมคิดร่วมปรึกษาแล้วก็ไปก็ให้ความคิดในที่ปรึกษาเสร็จแล้วต่อมาท่านก้อนนั้นพวกชุดนั้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ท่านไม่ได้บอกอะมาได้มาต่อว่าทําไมไม่ไปบอกเอา้าผมไม่ได้เป็นกรรมการ บอกไม่เป็นกรรมการก็ต้องไปประวัยไม่ได้เราคนอื่นก็ไปแต่ผมผมไม่ไปหรอกคือถ้าบอกมาก็ก็ไปคือเรารู้สึกไม่ใช่หน้าที่เราไม่มีสถานะเราก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ก็ไม่ควรจะเข้าไปวุ่นวายตรงนั้นคือก่อนที่จะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านอุปชายากท่านอาจารย์ท่านสอน เวลาท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเออต่อไปนะไม่ถึงอย่าเอามือคว้านะถึงหน้าอย่าปฏิเสธวันจะไม่ดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นอะไรแต่เขาก็มีหมายแต่งตั้งงานอะไรมาเราทําสุดชีวิตเลยแล้วทาเร็วด้วยทําเสร็จก็คือจบกันกาสรุปว่าเราไม่คว้าแต่ถึงหน้าเราไม่ปฏิเสธ อุปชายะนั้นท่านสอนว่าสาระหุกกวุตินะใ้ประพฤติตนในบากายบาจิตก็สอนกันมาคนละข้อแั่มาก็ถือตามปฏิบัติตามมาทั้งสองข้อแล้วก็อยู่ปรับตัวตามสภาพที่เราอยู่โดยสนับสําเหนียกในสถานภาพขณะนั้นๆเ ร, รับผิดชอบอะไรเราทําอย่างไรในขณะใ ด, ดเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราทําเต็มที่ จบก็คือจบจบแล้วก็จะไม่ไปไปผูกพันอะไรไปยึดติดอะไรยดี๋ยมาเป็นรองอธิการมาวทิาาวทยาลัยมหาคุรติยาลัยมานานนะตั้งแต่เป็นอาจารย์มาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคณะบดีเป็นหัวหน้ากองเป็นคณะบดีขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็อายุเกินหกสิบเราก็ลาออก พอลาออกขึ้นเดี๋ยวนี้นะออกมายังไม่ขึ้นไปในชั้นสองเลยชั้นหนึ่งไปเท่าที่คนนีมิมนให้ไปนิมนกี่ครั้งก็ไปเท่านั้นแต่จะให้ไปเองเนี่ยไม่ไปนอกจากว่ามันมีธุระอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปจะต้องแวะไปแต่ก็ไม่เคยขึ้นไปปุโรหิตตุหาก็เจอเขาก็บ่นเรื่อยอาจารย์ไม่เห็นไปเยี่ยมมั่ง ก็บอกไม่ไปหรอกแต่ว่ามีอะไรจะให้ช่วยเหลือก็บอกมาแล้วก็มีอะไรที่ให้ช่วยก็ก็จะไปในการต่อมานี่ก็ขอเปอ็นอาจารย์พิเศษทั้งปัญญาตีปัญญาทรเราก็ไปในวันที่ส อ, สอนถ้าไม่สอนเราก็ไม่ไปพอเราเป็นอาจารย์พิเศษเราไม่ใช่เป็นอาจารย์ประจำนี่ก็คือทำตามสถานะก็เนี่ยคือแนวแนวแนวที่ครูเจ้าท ส, สอนน่ะ เมื่อเรามีเพศต่างจากคระดหัดแล้วอาการกายาใดๆที่เหมาะที่ควรแก่สมณะเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติในอาการกายานั้นๆในความเป็นนักบวชเนี่ยโดยเนื้อหาสาระเรียกว่าหมดสถานะในสังคมเพื่อจะเป็นคนนอกสังคมพระธาอาจารย์ท่านอธิบายไปในทางสรีระคือปรงผมและกนวด แล้วก็ส่งบริการเครื่องใช้เพราะแต่ก่อนเป็นเครือข่ายก็ใช้ของดีๆแล้ว่าทานอาหาระรแต่อะไรต่างๆคดิดีพอบวชแล้วก็นุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดจานอาหารที่พูกคราวกันภายในบาดเหล็กบาดดินก็ปูย่านอนต่างเตียงเป็นต้นเนี่ยปัะตุประสงค์ในการพิจารณาธรรมข้อนี้ท่านต้องการจะละความกำเริบ คือคนเราถ้าไปดึงอดีตเข้ามาแล้วก็ยุ่งทุกทีแหละเพราะว่าพระภายในวัดหรือข้าราชการภายในองค์กรต่างๆพนัก ง, งานนัดชีในบริษัททางร้านทั้งหลายเนี่ยถ้าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวมันก็เกิดอติมานะตีเสมอหรือว่าดูหมิ่นคนอื่นหรือว่าดูหมิ่นตัวเองได้ เดี๋ยวคนอื่นจะอ้างพ่ออ้างแม่อ้างปู่ย่าตายายอ้างเชื่อสายอ้างบัรโพลุษอะไรต่างๆโอกาสที่จะเกิดอาการกำเริบทางจิตคือความถือตัวหรือว่าจู้จี้งองนอนต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้โดยเอาอสถานภาพในดีเข้ามาเป็นแรงกระตุ้น แต่อดีตคือเรื่องอดีตอดีตมันเป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วมันก็ตายแล้วครั้งก็สอนให้คนอยู่กับปัจจุบั น, นยอมรับสถานภาพตัวเองในปัจจุบันทำตัวเองให้ถูกต้องเหมาะวรแก่สถานภาพของตนในขณะนั้นๆไม่เอาอดีตเข้ามาเชื่อมโยงผลบุพพัน์ ข้อต่อไปก็บรนปลาชิตควรพิจารณาหนึ่งเรื่องว่าการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายปฏิบัติง่ายทีนี้ชีวิตของเราคนอื่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นนะอย่างสมมติเราเป็นข้าราชการเนี่ยข้าราชการที่จริงมันต้องงานเนี่ยต้องหนักไปทางบริการ ไม่ใช่งานในทางบริหารเพราะอะไรเพราะว่าเขาจ้างมาให้บริการเขาก็าให้เงินเบี้นเราชีวิตเรานั้นนึ่งด้วยราษฎรนนึน่งด้วยภาษีอักกริยารัษฎรก็เสียให้แก่ประเทศชาติแต่จ้างเราให้มาทํางานในฐานะนั้นๆก็แล้วแต่ในฐานะอะไรแต่ถ้าเราเหลิงตัวเองเราเหลงตัวเองเราก็นึกว่าเราเป็นนายแต่ไม่ใช่เป็นขี้ข้านะ คืาต้องต้องนึกว่าไม่น อ, นอกแกนเราไม่เป็นนายและเราไม่เป็นที่ค่าแต่เราเป็นตัวแทนของรัฐซึ่งคนเหล่านั้นได้ พ, พึ่งพึ่งพึ่งพาอาศัยแล้วก็เสียภาษีทนบำ ร, รุงเป็นการสน้องคุณของแผ่นดินเราก็มีรรทำทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแผ่นดินในการอุปการะแก่คนเหล่านั้นตามสควรแก่ฐานะ ทีนี้พอมาถึงเป็นพระเข้ามายิ่งไปใหญ่เพราะชีวิตของพระนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาของชาวบ้านชาวบ้านเขาเห็นก็าศรัทธาเ้าเริ่มสายก็ทานุ่มาบารุงด้วยปัจจัยทั้งสี่มันก็ต้องอยู่ให้ได้แหละปัจจัยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละคือเราจะไปคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่ไม่ได้ แน่นอนพระพอโบสถ์มานานๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอยู่รู่งราขึ้นอย่ากโยมคนโน้อนออกมาอย่างคนนี้ออกมาอย่างคนนั้นออกมาอย่างเนี่ยบางทีมก็เยอะไปแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมาแต่ต้องอยู่ง่ายเป็นง่ายบำรุงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ยังไงก็ได้สมมติว่าไปไปฉันในบ้าน มาเคยเตือนพระพวกลูกศิ์ลุกหาสเสมอว่านี่อะไรก็ฉันไปหรือไม่ต้องบอกก็ให้อะไรก็ฉันอย่าเราอยู่ที่วัดเนี่ยเราไม่ได้ฉันเข้าแล้วก็ดื่มโซดาอะไรต่อนีไยก็ไม่ควรจะไปพูดถึงโซดามันเป็นนอกเรื่องแต่ว่าน้ํำมันต้องมีนะทีนี้แต่เขาโซดามาอะไรมาก็เป็นเรื่องของเขา เพียแต่ว่าอย่าแสดงความอยากมานานมาแล้วนะที่จริงมาเป็นพระเด็กๆเกนะี่ยสมัยหนึ่งก็ไปฉันข้าวนะั่นที่หนึ่งแล้วไปกับพระผู้ใหญ่นะพร ต, ต่างวัดแต่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่มากก็ถึงจุดหนึ่งฉันกาแฟเนะี่ยท่านตะโกนขึ้นมาเสียงดังไม่หวานท่านบอกไม่หวานเนี่ยคนก็ผูลีกผูจอกันเหมือนกันเนีเราสะดุ้งเราตกใจเราเสียขวัญหมดเลย หวานไม่หวานเนี่ยมันเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าไม่หวานก็ฉันที่บางที่ไม่หวานหวานก็ฉันที่หวานฉันไม่ได้ก็วางเอาไว้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ก็เป็นการแสดงออกเกินไปมันก็ไม่ดีอันนี้เป็นเป็นมันญาติทางสังคมนะฮะเป็นการปรับสภาพตัวเองให้มันเข้ากันได้กับสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่แต่ต้องคิดบ่อยๆต้องสำนึกสําเนีกในสถานภาพของเราอย่าลืมตัว จะลืนสถานะที่เราเป็นในแต่ละขณะแล้วสถานะของคนเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนว่าในกรณีนั้นและเราเป็นอะไรอย่าบางทีเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่อยู่แต่พอดีผู้ใหญ่ก็ามาเนี่ยเราก็ต้องเป็นเด็กกว่าหรือบางทีเราก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แต่พ่อแม่เรามาเนี่ยเราก็กลายเป็นลูกไปทันทีเป็นต้นเนพราะวัตถุประสงค์ในเรื่องหลดนี้ เป็นหลักการที่พระเจ้าทรงสอนให้นักบวชได้คิดเพื่อมีกิริยาัจาที่เรียบร้อยเหมาะสมมีอาชีพคือการเลี้ยงชีพในทางที่เหมาะที่ควรอาชีพที่เหมาะที่ควรของนักบวชก็คือบินบาวรซึ่งก็หมายความกระจายออกไปชาวบ้านเองก็ประกอบอาชีพตามเหมาะตามควรที่ท่านเรียกรว ม, มเหมือนกันนะอาชีวะไปสุดที่ ว่ามีอาชีพที่บริสุทธิ์การแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยปยัจเจย ĩ เป็นการได้มาในทางที่บริสุทธิ์ตอ้ก็ต้องคิดบ่อยๆแล้วก็อยู่ให้ได้อาหารนั้นแปลว่านำมาผลนำมาซึ่งผลเรื่อมวยผลแก่ผู้ที่บริโภค เราก็บริโภคตามที่มันจะเกิดผลประโยชน์แก่เราจะมากหรือน้อยก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ความสงคัญแกอาหารนั้นมากเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอาชีพมันกระจายครอบคลุมเพราะการคิดอย่างนี้เป็นเมื่อคิดแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันออกมาในรูปสินธรรมจัญญา ทำให้บุคคลสามารถเป็นหน่วยหรือเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆที่ไม่สร้างปาัญหาแก่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่คือกินร่วมบริโภคร่วมใช้ร่วมกับบุคคลอื่นนั่งร่วมนอนร่วมกับคนทั้งหลายได้ไม่ได้แปลกอะไรเอายังไงก็เอากันปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้ เดนแนวในบ้านในเมืองเราเราจะเห็นว่าพวกทหารพวกตำรวจแสดนพวกอะไรอะไรเนี่ยนะพวกอยู่ในหน้าสิวหน้าผานทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็เดือดร้อนกว่าเราเยอะเลยหรือพวกลูกเสือเข้าใข่อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็สู้ชีวิตตั้งแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ท่ามกลางความแปรผันในเรื่องต่างๆนี่ก็เป็นหลักการ สำคัญระการหนึ่งที่จะต้องนำมาคิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นรเราเห็นว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องสถานภาพเรื่องที่สองเป็นเรื่องการครองชีพทุกคนมีสถานภาพทุกคนต้องมีการครองชีพแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนในสถานภาพของเรามันก็ทําให้เกิดการไม่ชัดเจนในการครองชีพ ไม่อยังไงเรียกว่าเหมาะเรียกว่าควรเช่นสมมติว่าราชการเกิดเอารถราชการไปบริการราฐฎรขึ้นมาในกรณีที่มีสาถานะภัยถามว่าเราจะไปเรียกร้องเงินทองผลประโยชน์จากราฐฎร น, นีได้หรือไม่ก็ตอบว่าไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้บริการแก่ราษฎรอยู่แล้ว ถ้าคืนไปเรียกร้องบริการหรือว่ารับบริการรับค่าตอบแท น, นจากเขาก็เป็นการไม่เหมาะไม่ควรมันก็เกิดจากสํานึกสำเนียกในสถานภาพแล้วก็ไปบัดกรตนให้เหมาะสมแก่สถานภาพแก่ตนเป็นรวมรวมถึงการเลี้ยงชีพที่เหมาะที่ควรแก่สถานภาพของตนเป็นประการสำคัญต้องฟังกันหลาย แต่ลงมรโพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี